ก็วาจาสุภาษิตก็โดยกาละอันสมควรกาเลนะธรรมสวรรค์กาเลนะธร ร, นลนะธรรมสากัดฉาเป็นต้นเนี่ยการสัมมาวาจาเนี่ยคําพูดนั้นจะไม่เป็นเพอ้อเจอ้อเมื่อถูกกาละเนี่ยนะเมื่อถูกกาละที่เหมาะสมเนี่ยนะก็เหมือนยื่นอาหารให้บางคนเนี่ยนะถึงอาหารดีจริงแต่ถ้ายื่นผิดเวลานะครับดีไหมไม่ดีเนี่ยนะ ยื่นอาหารผิดการด้วยเนี่ยแล้วก็ยิ่งป้อนอาหารให้คนที่อิ่มแล้วด้วยนี่ก็ครับบางคนเนี่ยถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขารู้แล้วนะเชื่อเถอะไม่มีประโยชน์หรอกที่จะพูดให้เขาฟังขอมากลัวที่สุดกลัวต้องไปพูดให้คนรู้แล้วฟังกลัวจริงๆเลยเนี่ยกลัวมาจนถึงทุกวันเนี่ยทุกวันก็ยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยกลัวจริงๆเพราะเขารู้หมดเลยเนี่ยนะพันก็เขาบางคนเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะฟังเราก็ไม่ต้องไปยัดเยียดอะไรให้เขาหรอกนะนะ่ ถ้าเขาหิวแล้วเขาขอกินเองแหละธรรมะก็ลักษณะเดียวกันจะต้องศึกษาให้ดีๆให้ได้เวลาได้เหตุได้ปัจจัยอะไรที่มันเหมาะสมสมควรเพราะว่ายิ่งเขาบอกว่าคนถ้ารู้ธรรมะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะเหมือนกับโคที่เขามันคันนะโคเขามันถึงงอกนะมันคันมันก็เลยขิดเต็มไปหมดนะเห็นโคถึกเห็นอะไรมันขิดเต็มไปหมดเลยก็นะครับโคเขาคันผู้ที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆก็ระวังสังวรตัวนี้เอาไว้เยอะๆเนี่ยนะ ตั้งอยู่ในความสังวรวาจาเนี่ยดีที่สุดพันก็เที่ยวทําเป็นผู้รู้แนะนําผู้อื่นยิ่งยิ่งเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเขาด้วยไม่อยากคิดนะว่าเขาจะฟังเราบางทีเขาฟังเพราะเกรงใจนะครั้งแรกจะเกรงใจครั้งที่สองเริ่มรําคาญครั้งที่สเขาตะบ่าแตกเนี่ยนะก็จะลําบากพันก็ให้ดีๆหน่อยความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นย่อมหายไปจากบุคคลผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น อาณพิชชาเนี่ยนะอนาณพิชชาเนี่ยจะจะเมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมทําลายอาพิชชาออกไปนีนะคือคือคิดจะไม่เอาอนี่ยก็บางคนเขาก็มากไปด้วยอาณพิชชาจริงๆนะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีติดมีข้องอะไรเห็นก็เห็นรับอารมณ์ไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าติดอะไรพวกนี้แหละเป็นลักษณะของอนณพิชชาพูกการมาเห็นกรุงเทพคิดจะเอาสักหลังไหมอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เอาเลยนะ อันนั้พิชชาดีมากนะนั่นก็อันนั้นก็เป็นอันนัพิชชานะความพยาบาทย่อมหายไปจากบุคคลผู้มีจิตไม่พยาบาทผู้ที่มีเมตตามากๆก็โทสะก็หายไปนีนะลดลงไปมิจฉาทิฐิย่อมหายไปจากบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐิตรงนี้ลักษณะอาวัตตะเลยว่าถ้าถ้ากุศลเกิด อกุศลก็ถูกลดลงไปถ้ า, ากุศลกรรมบทเกิดขึ้นอกุศลกรรมบทก็หายไปลักษณะนี้เป็นปริวัติตาหาระนะคือศีลดีเป็นต้นเนี่ยนะก็ะพวกนี้เป็นเครื่องวัดตรวจสอบเราอย่างดีก็เอาไว้สอบสวนเราดูว่าเออเนี่ยตัวไหนมันลดลงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามคือบาปอากุศลมันพร่องลงไปมันลดลงไปก็ดีใจได้เลย กุศลเกิดเท่าไหร่ก็ดีใจอกุศลลดลงไปเท่าไหร่ก็ดีใจให้รู้จักดีใจตรงนี้บ้างก็จะได้เป็นวงของพระอริยะสักทีหนึ่ ง, งนะพะอยู่วงของคนมีกิเลสมานานแล้วใช่ไหมถ้าวงของพระอริยะเขาดีใจที่ได้ลดบาปดีใจที่ได้เจริญบุญงั้นถ้าเรามีสภาพจิตอันนี้อยู่ในใจนะก็แสดงว่าอยู่ในวงอริยะแล้วนะเขาก็รับสมัครเข้าแวดวงของพระอริยะแล้ว คือต้องปฏิบาติเนี่ยนะคนที่สมาทานปัจสมาทานศีลเนี่ยจะต้องรู้จักจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยนะว่าเมื่อก่อนเลยนะเขาบอกโยมคนหนึ่งเขาบอกอุ๊ยเขารักษาศีลดีมากเลยนะเขาก็ว่าเขามีศีลมากแต่เขาเลี้ยงหมามันก็เลยฆ่าเหตุประจําเลยบอกเออนั่นแหล ะ, ะก็ก็มีเพราะาบางคนเนี่ยต้องดูว่าวัตถุที่จะทําให้ล่วงศีลมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเพราะวัตถุที่แต่ละคนผิดศีลมันจะอยู่ไม่เหมือนกันหรอก บางคนผิดศีลกับสัตว์ใหญ่บางคนผิดศีลกับสัตว์เล็กเลยนะบางคนมันอธินนาทานเรื่องอะไรบางคนจะอธินนาทานเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องอื่นไม่เอานะบางคนเรื่องสตังอย่างเดียวบาทเดียวก็เอาเนี่ยนะบางคนก็ยังได้อย่างหนึ่งเนี่ยนะวัตถุแห่งอธินนาทานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบุคคลที่ทํากาเมก็เหมือนกันกับในบางกรณีในบางเรื่องบางรายพานั้นก็ต้องสมาทานเรียกว่ารู้จักจุดอ่อนแล้วก็ตั้งสมาทานแต่ทีนี้ถามมาถ้าล่วงไปแล้วจะไปทําอะไรได้ มันเหมือนกับว่าเดินไปเหยียบน้ําแล้วอ่ะหรือเดินไปเหยียบระเบิดแล้วแขนขาดมาแล้วจะไปทําอะไรที่มันขาดแล้วพรานก็สมาทานเอาใหม่เนี่ยนะตั้งใจเอาใหม่ก็ตั้งใจบ่อยเมื่อไหร่คืออย่ารังเกียจในการตั้งใจใหม่ๆเนี่ยนะคือถ้าได้กรรมาบทสิบมันก็ศีลแปดไม่ยากแต่ถ้าได้ศีลแปดกรรมาบทก็ไม่ยากเพราะว่าเรื่องเดียวกันนั่นแหละ ถ้าวาจานี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคือเราทั้งหลายบางทีเนี่ยมมาสังเกตหลายคนนะขับรถอยู่คนเดียวเนี่ยชอบไปช่วยคนอื่นเขาขับรถหมดเลยเคนโน้นน้นต้องขับอย่างนั้นคนนั้นต้องขับอย่างนี้คนนี้ต้องเบรกหน่อยนะคนนั้นต้องแซงคนนี้ต้องรีบคนนั้นต้องช้า อันนั้นไปช่วยขับมอเตอร์ไซค์บ้างไปช่วยขับรถเก๋งบ้างไปช่วยขับรถข้างหน้าช่วยขับรถข้างหลังโอ้ยเป็นเจ้าหน้าที่จราจรหมดให้คนนั่งข้างๆในลำคาญเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็ช่วยไปขับรถแทนคนอื่นไ ป, ไปหมดเลยนะเดี๋ยวก็เรื่องเป็นจราจรบัง่งเป็นอะไรบ้างเสียค่าปรับเสียอะไรเขาเต็มไปหมดเลยนะนี่เดือดร้อนมากๆเลยเนี่ยนะ ถ้าให้อภัยได้บ้างก็ให้เถอะเนี่ยนะให้อภัยตัวเองบ้างก็ได้แล้วเพราะว่าทำไมเนะเราจะต้องไปเดือดร้อนกับทุกคนเนี่ยนะเราทำไมเราต้องไปขอบาปมาจากทุกคนเขาเลวของเขามันก็เลวพอสมควรแล้วเราก็ขอไปเที่ยวแจมไเนะเหมือนอย่างว่าเราเห็นอะไรมีเกล่นเหม็นยก็ไปขอแตะมาดมดูหน่อยเออมันเหม็นใช่ๆช่ใช่นนะก็ไปเที่ยวขอแปะเข้ามาดมอยู่อย่างนั้นแหละก็เดือดร้อนแ่ะน่นะ มันก็คนอื่นเลวก็ปล่อยให้เขาเลวคนเดียวก็พอแลว้วเราจะไปขอแบ่งเขามาเลยเนี่ยนีย่เขาก็จะรับผลของกรรมของเขาั่นแหละนี่นะบางทีเราขอกันได้ก็ขอกันไปให้เขาได้ก็ให้เขาไปเนี่ยนีย่เดี๋ยวไม่งั้นมันก็แปดมันก็เปื้อนนี่ก็เหมือนกันมีโยมอยู่คนหนึ่งเหมือนกันไปที่ไหนนะไปเห็นเทศบาลก็จะเป็นนายกเทศมนตรีอีกแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะไปเป็น น, นะไปเกี่ยวข้องกันก น, นี่แกก็จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอีกพักหนึ่งแกก็จะไปเป็นมนตรัฐมนตรีนุนกระทรวงเกษตรสหกรณ์อีกพักหนึ่กนนนนนง ก, ก, ก, ก, ก็จะเป็นอาทิตย์ดีกรมป่าไมานะ้แล้วคือไปเดือดร้อนกับทุกคนไปหมดเลยนะขนาดเขาเป็นผู้ใหญ่เขายังแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้แล้วของเราก็ไปเทีย่ยวเยวอยู่คนเดียวแล้วดีดีดมาว่าไม่เป็นโรคประสาทก็ดีแนะ้มีเดี๋ยวนะมาว่าทำไมแกเดือดร้อนเรื่องคนอื่นป่านั้นก็ไม่ทราบเนี่ยนะ อีกพักหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีโน่น acted. รัฐมนตรีนี่ดีไม่ดีกันโน่นข้ามไปเป็นประธานาธิบดีต่างประเทศเลยนะจะควบคุมหมูถามว่าไม่รู้อยู่ได้ยังไงมาโน่นนะถ้าคิดอย่างนี้มากๆเขาจะส่งเข้าจิตเวทนะลาบากก็มีเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยกันเพื่อนเขาก็ไปแมี่เขื่อนปากมูลที่อุบลเ่ยนะ เขาบอกว่านี่เขื่อนนมันต้องสร้างตรงนน้นไปถึงตรงนี้นะัมันจะประหยัดยังางงั้นอยางนนยางนาะเขาบอกไอ้รถเขานี่จะถูกยึดวันสองวันไม่รู้นะเก่งมากแล้วเกินไอ้คนนี้รู้มารเรื่องคนอื่นนะนะแกยังไงอะไรยังไงเน่ยนะแต่ว่าเนี่ยคือคนสุดทิศหนึ่งนะชอบแต่งตัวให้คนอื่นเชื่อไหม ชอบแต่งตัวเออเสื้อแกต้องอย่างงาั้นทรงผมต้องอย่างนี้รองเท้าต้องอย่า ง, งานั้นแต่งตัวให้คนอื่นหมดเลยนะบางทีของตัวเองอาจจะลืมใส่กระดุมเนี่ยมันลำบากอย่างเงี้แหละแล้ก็อาจารเจริญกุศลเนี่ยเราต้องในยุคนี้เนี่ยนะเราต้องรักษาจิตให้เป็นถ้ารักษาจิตไม่เป็นเราก็ไปก้าวไก่คนอื่นมากยิ่งเดือดร้อนมาก ไปคิดเรื่องแทนคนอื่นหมดไปเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนคนอื่นไปหมดเลยนะดีไม่ดีคนป่วยไม่เท่าไหร่ญาติคนป่วยนี่มันป่วยมากกว่ายัางไงนะไปเยี่ยมคนป่วยเราก็จะทุกข์แทนว่าคนป่วยอีกแล้วอย่างไงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ก็เจริญกรร ม, มสศกตาเอาไว้เยอะๆเถอดดูก่อนท่านผู้มีกรรมเช่นเราเนี่ยน ะ, นะท่านก็มาด้วยกรรมของท่านนะข้าพเจ้าขาายับไปด้วยกรรมของข้าพเจ้าเนี่ยนะ ดูก่อนท่านพูดอยากถึงจุดหมายปลายท า, ทางเช่นเราขอให้ท่านไปมีความสุขน ะ, จะเจริญเมตตาบ้างอันหนึ่งชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมติเตียนอริยมรตมีองค์แปดการติเตียนและการกล่าวหาอันตนพึงถูกติเตียนซึ่งเห็นได้ในปัจจุบันเป็นไปพร้อมด้วยเหตุย่อมตกถึงบุคคลเหล่านั้น น, น่ะคือใครก็ตามที่ติเตียนอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์8ดนะ บุคคลนั้นน่ะถูกติเตียนแน่อันนะี้ถ้าใครติเตียนความดีเนี่ยนะคนที่ติเตียนความดีนะคนนั้นน่ะจะถูกติเตียนนี่ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดติเตียนมัสมีองแปดเขาจะถูกติเตียนในปัจจุบันตามสมควรแก่เหตุด้วยก็จริงนะใครที่ตําหนิมิจฉามัสมั้ยตำหนิอริยมัสมีองแปดนะเขาเหล่านั้นได้รับการตําหนิจริงๆ ท่านเหล่าใดเป็นมิจฉาทิฐิเพราะการติเตียนสัมมาทิฐินั้นการบูชาและการสรรเสริญย่อมไม่มีแก่ท่านเหล่านั้นคือใครก็ตามที่เป็นคนติเตียนสัมมาทิฐิคนนั้นแสดงว่าเป็นมิจฉาทิฐิถ้าคนที่ติเตียนสัมมาทิฐิอย่างนี้เนี่ยนะท่านบอกว่าบุคคลนั้นไม่ควรบูชาบุคคลนั้นไม่ควรแก่การสรรเสริญไม่ควรแก่การ ยกย่อ ง, งไม่ควรแก่การเคารพเพราะเป็นคนติเตียนสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเช่นนั้นเหมือนกันหมายคำว่าท่านเหล่าใดเป็นผู้ที่เป็นมิจฉาสังกัปปะก็ติเตียนสัมมาสังกัปปะมันบุคคลนั้นไม่ควรแก่การสรรเสริญไม่ควรแก่การบูชาเนี่ยนะมันไม่ควรแก่การเคารพในในบุคคลเหล่านั้นเลยสําหรับคนที่ ติเตียนสัมมาสังกปปะเนี่ยนะก็ถามว่าในยุคนี้เนี่ยนะเขาติเตียนสัมมาสังกปะมากหรือน้อยมากก็คือว่าไม่ยอมรับสัมมาสังกปปะเนี่ยนะปฏิเสธสัมมาสังกปปะไม่ใช่น้อยเนี่ยนะมันก็แสดงว่าผู้ที่ติเตียนสัมมาสังกปปะผู้นั้นก็เป็นผู้มากไปด้วยมิจฉาสังกปะอันนี้ก็รู้ได้เลยผู้ใดติเตียนสัมมาวาจา ผู้นั้นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่พูดมิจฉาวาจาเอ้ยคนนั้นพูดแต่พุทธพจน์พูดแต่พระไตรปิฎกแสดงว่าเขาอ่ะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่เป็นมิจฉาวาจาจะเป็นคนตําหนิสัมมาวาจาอันนี้คือปกติเลยนะคนมิจฉาทิฏฐิจะตําหนิพวกสัมมาทิฏฐิคนมิจฉาสังกัปปะจะตําหนิ สัมมาสังกปะพวกที่มีมิจฉาวาจาจะตําหนิผู้ที่มีสัมมาวาจาผู้ที่มีมิจฉากรรมันตะจะตําหนิผู้ที่มีสัมมากรรมันตะผู้ที่มีสัมมาชีวะจะตําหนิผู้ที่มีสัมมาชีวะผู้ที่มีสัมมาวายามะจะตําหนิพวกที่มีสัมมาวายามะผู้มมาาาที่มีมิจฉาสติจะตําหนิผู้ที่มีสัมมาสติผู้ที่มีมิจฉาสมาธิจะตําหนิพวกที่เป็น สัมมาสมาธิพวกมิจฉาวิมุตติจะตําหนิผู้ที่เป็นสัมมาวิมุตมมติผู้นะที่มีสัมมาวิมุตติญาณมิจฉาวิมุตติญาณทัศน์เนี่ยนะจะตําหนิผู้ที่มีสัมมาวิมุตติญาณทัศนะผู้ใดก็ตามที่ตําหนิสัมมาสังกัปปะบุคคลนั้นไม่ควรแก่การบูชา แปลแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งนะคําว่าการบูชาและการสรรเสริญย่อมไม่มีแก่ท่านเหล่านั้นแปลเป็นภาษาไทยบอกท่านเหล่านั้นไม่สมควรแก่การบูชาไม่สมควรแก่การสรรเสริญเพราะ ใ, ใครที่ตัิสัมมามัตมีองค์แปดตัณณิสัมมาวิมุตติตัณณิสัมมาวิมุตติญาณทัศนะคนเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ควรสรรเสริญโดยประการทั้งปวงก็แปลว่าสมควรแก่การ ตํหนิสมควรแก่การข่มในพระไตรปิฎกนะผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะเป็นต้นนะพระพุทธเจ้าตําหนิแรงมากนะเช่นผู้ที่เป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะพระองค์ตรัสเลยว่าดูก่อนโมฆบุรุษการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจไม่ใช่กิจของสัมมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําฉะนั้นเธอจึงไปทําเหล่านั้น นะดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วพระผู้มีพระภาคจะตําหนิผู้ที่มีมิจฉาว่าตั้งกับมิจฉาทิฏฐิอย่าง阿拉คัทูปมะสูตรมหาตันหาสังยาตันหาสังขยสูตรนี่ก็ตําหนิผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยตำหนิแรงมากเนี่ยนะ แล้วก็อีกหลายๆสูตรก็เหมือนกันเพราะว่าพวกมิจฉามรึกเนียมีโทษมากนะมิจฉามรึกมันเป็นทางแห่งไปสู่ความตายอ่ะจะไม่ตําเนตได้ยังไงใช่ไหมอย่างคนที่จะขับรถไปตายเนี่ยบึงไปจนตายเนี่ยถามว่าหน้าตําเนตหรือหน้าชมฉันใดก็ดีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในมิจฉามรึกเมื่อเจริญเมื่อปฏิบัติข้อปฏิบัติไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยสมควรจะชื่นชมได้อย่างไรเนี่ยนะ ชนเหล่าใดนำมาซึ่งความวิบัติทั้งศีรษ ว, วิบัติทิฏวิบัติอาจาระวิบัติทนเหล่านั้นจะชมได้อย่างไงใช่ไหมเหมือนไฟเข้ามาไหม้บ้านไหม้ทรัพย์สินเนี่ยนะไฟอันนั้นควรชมไหมไม่ควรชมผู้ที่เป็นมิจฉาอะนะมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นไม่ควรชมแต่ในยุคนี้นะใครบ้างจะคิดว่าฉันมิจฉาทิฏฐิอ๋อเออทุกคนมันสัมมาทิฏฐิหมดทุกคนคิดว่าฉันเนี่ยคือเดินกําลังชิดประตูแห่งอมะตะนิพพาน ฉันเนี่ยเคาะประตูนี่พานอยู่นะนะนะ เ, เพราะว่าทุกคนเขามีความคิดอย่างนั้นจะไม่มีใครคิดว่าฉันเนี่ยคือผู้เห็นผิดฉันเนี่ยคือคิดผิดฉันนี่คือวาจาผิดฉันคือกรรมันต์ับผิดเพราะฉะนั้นมักทั้งหลายในโลกนี้มีมากเหลือเกินแต่มักที่ถูกต้องมีมักเดียวคืออริยมักอันประกอบไปด้วยองค์ 8. แปดทีนี้ก็จําให้แม่นๆนเลยนะสามมาที่ทีรู้อะไร รัวริยสัตตสสัมมาสังกปะคิดยังไงกุศลสังกปะสามประการสัมมาวาจาสี่ประการสัมมากรมมตะสามสัมมาอชีวะเจดนีสัมมาวายมะสัมประธานสี่สัมมาสติสติประธานสี่สัมมาสมาธิฌานสี่มร์แปดตัวเนี้ยพร้อมทั้งคําอธิบายคือทางถูกมีอยู่ทางเดียว ก็ต้องทำความเข้าใจในมัดมีองค์8แต่ละข้อแต่ละข้อว่าเราเข้าใจตามนี้ถูกต้องแล้วหรือเนี่ยนะแล้วเรารับผิดชอบด้วยตัวของเราเองพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนเรารู้คติและทางที่ไปสู่คติว่าบุคคลผู้มีกายวาจาใจเช่นนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนีรนรก์เนี่ยนะกายวาจาใจเช่นนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเดรชน กายวาจาใจาเช่นนี้เปติวิสัยกายวาจาใจาเช่นนี้มนุษย์กายวาจาใจาเช่นนี้เทวดาถ้ามักมีองค์แปดอย่างนี้ปรินิพันธ์พันธ์เราก็ต้องมาตรวจสอบเราเองเลยนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยมันทบทวนตรวจตราตัวเองให้บ่อยๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะก็เราไม่มีใครตกนรกแทนเราหรอกเชื่อเธอะในยุคนี้เนี่ยนะก็ ตอนนี้พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่ขอให้นับถือพระพุทธเจ้าไปก่อนถ้าไม่นิพานยังไงก็ต้องได้นับถือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าต่อไปเชื่อะัตอนนี้พระองค์คําสอนก็ยังเหลืออยู่พระธาตุก็ยังมีให้กราบให้ว่ายอยู่ก็นับถือพระพุทธเจ้าไปก่อนพระองค์ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เอาอย่างนั้นแหละข้าพเจ้าจากเที่ยวไปเนี่ยนะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนำมาสการพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็แปลว่าขอศึกษาขอรู้ขอเห็นขอคิดขอพูดตามพระพุทธเจ้าถึงข้าพเจ้ายัางทำตามไม่ได้ก็ว่าจะว่าของพระพุทธเจ้าดีข้าพเจ้าจะไม่ว่าของข้าพเจ้าดีเนี่ยนะข้าพเจ้ามิจฉาวาจาก็คือมิจฉาวาจาไม่ใช่สัมมาวาจาเนี่ยนะถ้าบาปก็คือบาปไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นก็แยกแยะในส่วนเหล่านี้ให้เป็นเนี่ยนะแยกแยะให้เป็นลหลายเรื่อง โลภะมันไม่ดีถึงเรายังมีโลภะอยู่ก็ต้องตําหนิว่าโลภะไม่ดีแต่เรายังละไม่ได้ น, นะโทสะไม่ดีโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าเรายังมีโทสะก็ถือว่าเป็นความเลวเฉพาะของเราที่เรายังละไม่ได้เราต้องตําหนิตามที่พระพุทธเจ้าพาตําหนิบาปอากุศลไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะพันการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะตรงนี้ในในยุคนี้เนี่ยผู้ที่ติเตียนสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะนี้ไม่ใช่น้อยมีมาก อย่างพระพิสูจน์บางรูปที่ท่านเคร่งครัดในพระวินัยนียโยมบางคนก็บอกท่านท่านอย่าไปเคร่งเกินไปให้อยู่ในมัชชิมาปฏิปทาเขาว่ากันเออเนี่ยโยแมแนะนําพระอย่างนี้แหละมันก็เพาะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นมัชชิมาปฏิปทาอะไรเป็นสัมมามัชมิดฉามมัชทางนรกทา ง, ทางสวรรค์แยกแยกไม่เป็นเลยเนยีเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางอยู่บนถนนเนี่ยนึกเลยนะนี่ทางไปสู่ไหน ทางแห่งคติห้าและทางที่ทำให้พ้นคติเนี่ยนะอย่าลืมว่าทางเส้นนี้เดินได้เป็นของเฉพาะตนจริงๆเนี่ยนะใครเดินผู้นั้นก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ในมหาจัตตารีสกะสูตรมชิมนิกายอุปริปัาฏเนี่ยนะก็อธิบายดีนะเกี่ยวกับสัมมามักมิจฉามักผู้ที่มีเวลาก็ไปดูเอาในสูตรนั้นเนี่ยนะจะทําให้เห็นชัดถึงว่าสัมมาทิฏฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเช่นไร นนะเล่ม22นะีฉบับเนี่ยเล่ม22หน้า351เป็นต้นเนยนะถถามนะั้นอันหนึ่งชนเหล่าใดเหาหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายควรเสวยการทั้งหลายควรบริโภคการทั้งหลายควรซ่องเสพการทั้งหลายควรเสพเนืองนิดการทั้งหลายควรเจริญการทั้งหลายควรทําให้มากการเว้นจากกามทั้งหลายเป็นอาธรรมไม่ใช่ธรรมนองชนเหล่านั้น อย่างสมมตินะใครที่เป็นนักบริโภคอาหารเย็นตัวฉกาดเนี่ยนะโอ้ยการรักษาอุโบสถเป็นสิ่งเลวร้ายมากสำหรับเขาเนี่ยนะใครที่นักบริโภคอาหารเย็นเนี่ยนะอร่อยมื้อเย็นที่สุดเลยนะหมายการรักษาศีลแปดนี่ถือว่าใช้ไม่ได้เลยสำหรับเขาเนี่ยนะผัผู้ที่บริโภคกามยินดีในการบริโภคกามจะตำหนิศีลนะเนี่ยหนิศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องปัดขัดออกจากกามสุ ข, ขาริการุโยก ผู้ใดไม่ชอบศีลให้รู้เถอะว่าเขาคือกรรมมะสุขัาลิกานุโยกมุ่งหมกมุ่นอยู่กับกรมหมกมุ่นกับการบริโภคกรมน่นะมันก็แสดงว่าผู้ใดสรรเสริญกามโดยมากไม่มีศีลโดยมากเนี่พูดถึงปริมาณมากนะแต่บางคนจะเออกรมก็เอาบุญก็ทำอะไรก็มีอยู่แต่ว่าโดยมากถ้าหมกมุ่นเพลิดเพลินในวัตถุกรมมากเพียงใดการออกจากกรมนี่เป็นความ เลวร้ายสําหรับเขามากเนี่ยนะบางคนที่ต้องการวัตถุกรรมอย่างแรงกล้านะเขาไปตําหนิแม้กระทั่งเจ้าชายศิทธธรรมอู้คนอะไรจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแล้วยังออกอกีกเนี่ยนะทิ้งลูกทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งอู้ออกไปหมดเลยมางั้นนะนี่ยก็ตําหนิใช่ไหมถือว่าการออกบวชของพระพุทธเจ้าเลวร้ายมากนะบางคนก็คิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนชื่นชมกรรมเนี่ยนะเพลิดเพลินในกรรม อีกอย่างหนึ่งชนเราได้เราหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าการปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ทำตนให้ลาบากเป็นธรรมะที่ควรจเจริญธรรมะที่ออกจากวัตะเนี่ยนะนิยานิกระมเนี่ยเป็นอธรรมของชนเหล่านั้นอย่างสมมติถ้าพวกที่ชอบทำตัวให้ลาบากทำตัวให้เดือดร้อนเนี่ยนะพวกนี้ถือว่ามักแปดหรือวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยเลวร้ายมากใช้ไม่ได้เนี่ยนะ พวกที่มุ่งอดอาหารไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรเลยเนี่ยนะพวกนี้ถือว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเป็นเรื่องเสียหายธรรมะที่ออกจากวัตะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงวิปัสสนาและมัคเป็นต้นนั่นเองนะวิปัสสนาและมัคชื่อว่าธรรมที่ออกจากวตะมาจากบาลีวันนิยานิกระทนิยานิกธรธทมก็คือวิปัสสนากับมัคนั่นเองชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าทุกชื่อว่าธรรมะ ธรรมที่เป็นสุขชื่อว่าไม่มีโทษ ธ, ธรรมะที่เป็นสุขเป็นอธรรมของชนเหล่านั้นหมายถึงว่าใครที่ถือว่าขันห้าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความสุขชั้นยอดขันห้านะอุปาทานขันห้านี่แหละคือตัวสุขเขาถือว่านิพานนี่เป็นทุกข์เขาจะไม่ชอบนิพานถ้าใครชมสังขารชมขันห้าแสดงว่าคนนั้นไม่ได้ชมพระนิพานอะไรเลย นะก็เลยถือว่าพระนิพพานเป็นทุกข์นนะเพราะว่าเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในอุปาทานขันห่าอีกประการหนึ่งสุภาสัญญาย่อมหายไปจากภิกษุผู้ดูแลอยู่ผู้แลดูโดยความเป็นของไม่งามในสังขารทั้งหลายก็แสดงว่าสุภาษัญญาเนี่ยนะทำให้ละสุภาสัญญาใช่ไหมทุกขสัญญาก็ทำให้ละสุขสัญญา อนิจจสัญญาก็ทำให้ละนิจจสัญญาอนัตตสัญญาก็ทำให้ละอัตตสัญญาไอคำว่าแลดูตัวนั้นเนี่ยแปลว่าปริญญานีปริญญาโตอธิบายเป็นปริญญาโตแลดูเนี่ยแปลว่าเข้าไปทำปริญญานั่นเองเข้าไปทำปริญญาพี่ารณาเห็นความไม่งามพี่ารณาเห็นความเป็นทุกข์พี่ารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงพี่ารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา อันก็คือเจริญสติปฐาน4ี่นั่นแหละสติปฐานสี่คือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นนะพันผู้ที่เจริญสติปฐานสี่ดีอย่างแท้จริงหนึ่งละสุภาพวิปลาส2ละสุขหาวิปลาสหรือสุขาสัญญาสละนิจจสัญญาสีละละอตสัญญานี่เป็นผลแห่งสติปทานสี่ เพราะผู้เจริญสติปัฏฐานสี่คือผู้ตามเห็นความไม่งามของสังขารเห็นความเป็นทุกข์ของสังขารเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของสังขารและเห็นความเป็นอนัตตาของสังขารเนี่ยนะก็คือนั่นแหละเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสี่บุคคลย่อมชอบใจย่อมเข้าถึงธรรมใดๆที่แท้ที่จริงแท้ทำใดเป็นปฏิปักษ์แห่งธรรมะนั้นๆธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มุ่งถึงโดยความเป็นของไม่น่าชอบใจแก่บุคคลนั้น อันนี้แปลว่าถ้าใครชอบอย่างหนึ่งน่จะตําหนิอีกอย่างหนึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเช่นถ้าคนชอบสีดําก็แปลว่าไม่ชอบสีอะไรสีขาวถ้าชอบมืดก็แสดงว่าไม่ชอบสว่างฉันใดก็ดีผู้ที่ชอบบาปก็แสดงว่าไม่ชอบบุญผู้ที่ยินดีในบุญก็ไม่ติดในบาปไม่คล้องในบาปไม่ชอบบาปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันอันเมื่อเทากล่าวธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันอย่างนี้แหละเรียกว่า ปริวัติภาระปริวัฒนานี่ยนะนะปริวัฒนาภาระทั้นก็เป็นการพิจารณาเพ่งอย่างสติปัญสีที่เจริญดีแล้วทําให้มากแล้วก็ต้องละวิปลาสสีละอาสวะสีโอฆะสีคันธะสีเป็นต้นนนถ้ามีอาสวะอยู่มีโอฆะอยู่มีวิปลาสอยู่ถ้าวิปลาสแสดงว่าไม่ได้จเจริญสติปัญานเลยเนี่ยนะถ้าสุภาพวิปลาสแสดงว่าไม่ได้พิจารณากายอะไรเท่าไหร่เลย ถ้ามีสุขาวิปลสสนอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เจริญเวทนานุปัสสนาสักเท่าไราหรอกถ้ามีนิจาวิปาัาสแสดงว่าไม่ได้เจริญจิตานุปัสสนาสักเท่าไหร่ถ้ามีอัตตาวิปาัาสแสดงว่าไม่ได้เจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะถ้ามีอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่มีอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้แหละเรียกว่าปริวัติณะหาระก็สมควรแก่เวลา